วันนี้มีอะไรบางเทศนี้ออกทางวิทีโดเลยเหรอออกไหมนะออกที่ไหนออกวิดีโอต่อออกไปทางอินเทอร์เน็ตก่อนครับวิดีถ่ายทอดนะวิดีทางกรุงเทพถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตเวลาเทสนี้ออกที่ไหนออกอินเทอร์เน็ตก่อด้วยออกอินเทอร์เน็ตทางโน้นและยุบ้านตาด้วยวิดีโอที่สุดนธรรมด้วครับวิดีโอที่เหมือนเหอวนยังธรรครับสวนยังธรรมด้วย ที่เราเทศนี้จะถึงไหนเนี่ยระยะเนี่ยอยู่ขนาดเท่นี้จะถึงไหนระยะก็ก็<อ>มีแต่ที่เราออกนิทานนี่ใช่เหมครับก็อินเทอร์เน็ตก็ทั่วโลกครับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอินเทอร์เน็ตมันพูดกันหมดอ๋อเออยิ่งจะมีสะลั่นละนี้พระมีจํานวนเท่าไหร่ที่จะเข้าจําำราษาที่นี้นะ 56, น้านนนะพระตั้งห้าสิบหกองที่นี่กำหนดตายตัวไว้เป็นประจำเรื่อยมาว่าห้าสิบในปีนี้เป็นห้าสิบหกางน้นก็ขอมาท้านี้ขอมาสุดท้ายก็เป็นห้าสิบหกอีส่วนเพิ่มนั้นเนี่ยตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปนี่เป็นส่วนเพิ่มจากปกตินะ ปกติเพียงห้าสิบองค์ไม่ให้มากกว่านั้นเพราะสถานที่พอเหมาะพอดีกับการบำเพ็ญสมณธรรมของพระแต่และที่และที่ที่พักอยู่นี้ถึงหกองค์แล้วที่เป็นยังไงพอพอนั้นอยู่ละ เสียงเนี่ยมันแหวบนะทั้ง น, นี้พอดีละมั้นะได้ยินชัดขนาดนี้นะ วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาตามประดูฝนที่เคยปฏิบัติมาบรรดาพระเจ้าพระสงค์ที่มาจากที่ต่างๆมารวมในสถานที่นี้ในพรรษานี้ปรากฏว่ามีถึงห้างิบหองและที่อื่นๆด้วยที่มา ฟังอัดฟังธทมในเวลาเดียวกันพร้อมทั้งประชาชนยากโยมชาวพุทธลูกศิษยสถาโคตมีในเสียสละเวลาเวล า, วลาหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทมบำเพ็ญกองการกุศลผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่เข้าสู่ใจของตนของตน พร้อมทั้งได้ยินในฟังอัดธรรมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งชั่วช้าละโมกที่เป็นภัยต่อตนเองตลอดมาอยู่ภายในใจนี้ให้กระจายหายออกไปมีความสว่างสวัยขึ้นภายในจิตใจของตนจากอัดจากธรรมซึ่งเป็นแสงสว่าง หาประมาณและหาสิ่งเสมอเหมือนไม่ได้คือธรรมวันนี้จะเริ่มแสดงธรรมให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายฟังตัวถึงกันซึ่งนานๆประเึ่งว่าเป็นปีและครั้งถึงจะได้แสดงหัวหนึ่ง เช่นเข้าพรรษาปีกลายนี้แล้วก็มาปีนี้ถึงจะได้เทศตีหนึ่งทีหนึ่ ง, นงเนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่อำนวยและหน้าที่การงานประจำตนก็มีเยอะจึงไม่ค่อยมีโอกาสแนะนํานสั่งสอนบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่มาพึ่งพาอาศัยอยู่กับเราวันนี้เป็นโอกาสอันดีงาม ที่ท่านทั้งหลายมาจําพรรษาที่นี่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามเยี่ยมยะเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดําเนินมาในครั้งพุทธกาลท่านมีการจําพรรษาอย่างนี้ตลอดมาในเบื้องต้นก็ไม่มีการจำํำพรรษาต่อมาเมื่อมีเหตุการณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยทรงบัญญัติให้มีการจำพรรษาสามเดือนนี้ไม่ให้ไปเที่ยวแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีความจำเป็นก็เช่นยกท่านยกไว้เพียงเอกเทศแต่ที่สมควรซึ่งควรจะเป็นไปในธรรมะที่ วางเป็นรากฐานนี้แล้วก็อนุโลมให้เข้าเป็นอันเดียวกันเช่นมีดามันดาอุปชาอาจารย์สัตว์ทีงมีหาลิเป็นต้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้สัตตาหะไปได้ภายในเจ็ดวันนี่เรายกมาเพียงเอกเทศที่ มากกว่านั้นก็มีท่านให้อารุลมเข้ามาส่วนจำเป็นเช่นเดียวกันไปได้เจ็ดวันทั้งไปทั้งกลับนับแล้วได้เจ็ดวันแล้วให้กลับมาค้างที่วัดคือหนึ่งหากความจำเป็นยังสืบเนื่องกันอยู่ก็ค่อยสัตตาหะไปในวันหลังอีก แต่อย่างไรต้องให้กลับมาพักค้างที่วัดอย่างน้อยหนึ่งคืนก่อนแล้วก็สัตตาหะต่อไปได้เจ็ดวันเช่นเดียวกันอย่างนี้เช่นอย่างวิหารชำมลุดที่พักที่อาศัยของส่วนรวมคือพระเนรทั้งหลายชำมลุดสุดโสมจะไปหาไม้เครื่องอุ ป, ปกรณ์ต่างๆมา ปลูกสร้างหรือซ่อมแซมสาลาก็ให้ไปได้ภายในเจ็ดวันแล้วกลับมาเมื่อยังไม่เสร็จก็ให้ไปอีกแล้วจนกว่าจะเสร็จนี่ท่านแสดงเอาไว้นอกจากนั้นก็มีปฏิยายไปอีกที่พอเหมาะสมจะสัตตาหะก็สัตตาหะไปได้นี่เ้าอยู่ที่เป็นถิ่นเป็นฐาน ในสถานที่เหมาะสมเช่นนี้จงพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้สมกับเพศของพระซึ่งเป็นเพศที่ละเว้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียดายสิ่งใดนอกจากธรรมที่จะอุตสาหบําเพ็ญขวัขวายเข้าสู่ใจโดยถ่ายเดียวเท่านั้นในอิริยาบถ ท, ทั้งสีให้เป็นไปด้วยความภาคเพียร ความพยายามความสังรวมระหว่างตนอยู่โดยสม่ำเส ม, เมอมีสติควบคุมตัวเองยืนเดินนั่งนอนความเคลื่อนไหวไปมาในอาการใดขอให้มีสติติดแนบอยู่กับตนตลอดเวลานี่เป็นสติเป็นพื้นฐานสำคัญมาก อย่างนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องความภาคเพียรท่านผู้ฟึงฝึกหัดใหม่ที่ยังไม่ได้ <c oughs> หลักได้เกณฑ์ท่านก็สอนให้นำคำบุิกรรมเข้ามากักยืดมาเกาะให้ใจได้ยืดได้เกาะกับคำบุิกรรมนั้นๆเช่นพุทธโธบ้างธรรมโมบ้างสังโฆบ้างมรณะนัสติบ้าง ตามแต่จริตนิสัยจะชอบในคาบุีกรรมใดให้นำคำําบุีกรรมนั้นเข้ามากากับใจแล้วตั้งสติติดแนบอยู่กับคําบุีกรรมไม่ให้คิดปรุงไปในสิ่งใด น, นอกจากปรุงในคําบุีกรรมอย่างเดียวเท่านั้นเช่นพุทโธพุทโธกับสติให้สืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นให้มีสติติดแนบอยู่กับใจเพราะใจนี้มีภัยรอบด้านนิเลสนั่นแหลตัวสำคัญที่ฝังลึกอยู่ภายใน จ, ใจิตใจไม่มีสิ่งใดที่จะถอดถอนชะล้างได้นอกจากทรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นทรรมจึงเป็นความจำเป็น อย่างมากทีเดียวสำหรับเราผู้บวชมาแล้วและเป็นนักปฏิบัติที่จะกําจัดสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกโดยลำดับลำดาในเบื้องต้นให้ใช้คำวรริกรรมกากับใจโดยมีสติกากับรักษาอย่าให้เผลอนี่คือผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ ให้ก้าวเดินตามนี้จะไม่ผิดหวังตลอดไปมรรคผลนิพพานในครั้งพุทพุทธการมีอยู่ชั้นใดในครั้งนี้ก็มีอยู่ชั้นนั้นสําหรับผู้ปฏิบัติด้วยความมีสติสตางตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติ ผูกทางนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศ <c oughs> การนั่นสถานที่นี่เ ว, เวลาเวลามือแจ้งอย่างนี้มักผลนิพานไม่อยู่แม้กิเลสก็ไม่อยู่เหมือนกันอยู่ที่ใจกําจัดกิเลสก็กําจั ด, ท, จจดที่ใจด้วยความภาคเพียรของตนตามวิธีการที่อธิบายให้ฟังนี้ ผู้เริ่มต้นให้ใช้คำบุริกรรมให้เป็นจริงเป็นจังอย่าเหลาะแหลกเราชอบคำบุรีกรรมใดจะ ถ, ถูกสลิรนิสัยของเราให้ยึดคำบุริกรรมนั้นไว้กับใจผูกมัดไว้ที่ใจเพราะใจนี้นิยลดออกมาช่องเดียวกันจากใจพลักดันใจให้อยากคิดอยากกรุงอยาก ร, ากรู้อยากเห็น อยากสับผัสสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆไม่หยุดไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางใจเลยมีความหนุนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาถ้าจะปล่อยให้กิเลสหนุนอย่างนี้ก็เป็นกี่กับกี่กันไม่มีต้นมีปลายไม่มีที่ยุติได้เลยจึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องจับยั้งเป็นเครื่อง กรกับรักษากรรมจัดสิ่งเหล่านี้ในเบื้องต้นให้ใช้คำวิญกรรมเช่นกิเลสอยากจะคิดเรื่องอะไรไม่ยอมให้คิดในเวลานั้นให้คิดอยู่กับคำวิญกรรมอย่างเดียวไม่นานานักสําหรับผู้ที่ปฏิบัติด้วยความจริงจังแล้วเราจะเห็นความสงบของใจปรากฏขึ้น ด้วยการภาวนามีคำวิกรรมและสติเป็นราักฐานสาคัญ น, นี้โดยทายเดียวที่อื่นเราอย่าไปหวังหวังมรรคผลนิพพานที่นู่นที่นี่อย่าไปหวังเป็นเรื่องเลี้ยวไหลหลอยลมไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงคือให้ปักลงที่ตรงนี้แหละตั้งคำวิกรรมลงไปตั้งสติให้ดีใจของเรามันจะฟุง้งเฟ้อเห่เหิมไปไหนไม่พ้น คำบริกรรมที่ผูกมัดนี่ไว้ได้คือช่องทางที่กิเลส จ, จะออกออกไมา่ทางสังขารสัญญาอารมณ์ต่างๆออกมาที่ใจทีนี้เราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ให้เข้ามาพุกพ่างรบกวนใจเราต้องการบำรุงใจของเรารักษาใจของเราให้ปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ด้วยคำบรีกรรม ตามที่จลิตนิสัยชอบแล้วให้ติดแนบอยู่กับคำบุรีกรรมเคลื่อนไหวไปมาที่ใดก็าตามไม่เพียงแต่ว่าเรานั่งภาวนาหรือเดินจงกลมที่เรียกว่าความเพียรจึงมีสติสตินั้นให้มีทุกเวลาดัางที่ท่านแสดงไว้แล้วว่าสติสบัตตปัทธิย สติจำต้องปราถนาในที่ทั้งปวงนในธรรมทุกขั้นสตินี้ปล่อยไม่ได้เลยตั้งแต่พื้นพื้นที่เราเริ่มตั้งสติจนกระทั่งสติสุดท้ายคือมหาสติมหาปัญญาสตินี้จะติดแน่กับไปจนส่วนและเป็นความละเอียดแลอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญา จากการบำรุงรักษาสืบต่อกันมายุดไม่ถอยนี่แหละท่านทั้งหลายต้องการมรรคผลนิพพานอย่ามองไปที่อื่นที่ใดให้นอกเหนือไปจากจุดหมายที่แสดงไว้เวลานี้ในเบื้องต้นให้ตั้งคำมริกรรมให้ดีแล้วมีสติกรรกับเคลื่อนไปไปไหนสติกับคำมริกรรมอย่าให้เคลื่อนให้มีความรู้สึกตัวหากอาการล้ว หากเรามีความเคลื่อนไหวกับกิจการงานใดก็ให้มีสติถ้าไม่บริกรรมก็ให้มีสติรับรู้อยู่นั่นเรียกว่าเป็นสัมปะชัญญาแต่ส่วนมากของท่านผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วจะประกอบการงานใดๆก็ตามคม้ามบุริกรรมจะติดแนบอยู่กับใจตลอดไปนี่เป็นความเหมาะสมมากขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้ง ธรรมะข้อนี้เข้าสู่ใจด้วยความจริงจังอย่าเหลวไหลอย่าเลาะแหละอย่าโยกโยกคลอนๆจะไม่เป็นผลอะไรเท่าที่ควรและไม่เป็นผลเลยต้องเป็นคนจริงจังธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบทเป็นธรรมะที่ออกมาจากความจริงจังจริงใจของพระพุทธเจ้าทางนั้น ตรัสลูก็ด้วยความจริงใจมั่เพียนมั่มเพนเพียรทุกอย่างด้วยความจงใจจริงใจทุกประเภทแห่งธรรมจนได้ตรัสลู่เวลามาสอนโลกก็เป็นธรรมจริงจังแน่นยำดังที่เราทั้งหลายได้ยินและสวดอยู่ทุกเชา้าทุกเย็นนั้นว่าสวาขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วนี่ละ จริงจังทุกอย่างรู้ขึ้นมาก็จริงก็จังไม่มีแล้วแหละโยกโยก่อนคนจึงเรียกว่าสหขาธรรมที่แักไว้ชอบแล้วด้วยความจริงจังของใจที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วด้วยความจริงใจในความภาคเพียนทุกด้านให้เรายึดข้อนี้เป็นหลักถ้าเรายึดข้อนี้เป็นหลักแล้วมรรคผลนิพพาน <c oughs> จะปรากฏขึ้นที่ใจของเราที่บำรุงเหตุเป็นลําดับลําดานนับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ความสงบของใจ <c oughs> ใจมีแต่วความยุ่งเหยิงบุ่นวายเพร้อกิเลสก่อกวนตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ตั้งจิตลงในธรรมวิกรรมในในการเริ่มแรกภาวนาด้วยความมีสติจากนั้นก็จะเป็นผลขึ้นมาให้ใจมีความสงบเย็น สงบเย็นปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนสงบ แ, แน่วแน่ลงไปกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงแห่งความสงบนั้นไม่โยครอนพระหนึ่งว่าหินทั้งแท่งอยู่ในหัวใจเราเพราะความแน่นหนามั่นคงแห่งใจไม่วอกแวกครอนแคลนทั้งเรียกว่าสมาธิคือความตั้งมั่นของใจจิตที่มีความสงบไปหลายครั้งหลายหน ก็เป็นการส่งเสริมผลนี้ให้ปรากฏขึ้นเป็นลําดับลำได้จนกายจิตกลายเป็นสมาธิได้ที่สงบเบื้องต้นสงบครั้งนั้นครั้งนี้ท่านเรียกว่าสมถาะาคือความสงบใจหลายครั้งหลายหนก็ทรงผลเข้าไปถึงความแน่นหนามั่นคงความสงบมั่นคงเข้าไปจนกลายเป็นสมาธิขึ้นมานี่เราเรียกว่าสมาธิ นี่เกิดขึ้นอืจากเหตุที่เราบำเพ็ญมาตั้งแต่เบื้องตน้นจะไม่เป็นอื่นขอให้ปฏิบัติตามนี้จะสมชื่อสมนามตามธรรมที่สอนไว้ว่าสวาคาตธรรมอืมตามที่ท่านตร์ไว้ชอบแล้วขอให้เราเราบำเพ็ญโดยชอบธรรมถูกทางตามาศาสดาสอนไว้เถิดเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวล่ำเวลาที่ไหน อยู่ที่ใจของเรานี่แหละเป็นแต่เพียงเวลานี้ถูกกิเลสตัณหาซึ่งเสียบกับจอกกําแหน้มันปกคลุมหุ้มห่อืหัวใจเอาไว้จอกแหน้คือกิเลสมันปกคลุมหุ้มหอจิตใจเอาไว้แสดงอาการใดออกมามีแต่อาการของกิเลสที่ทมีอำนาจเหนือใจแสดงออกไปเสียทั้งนั้นเพราะฉะนั้นรอบตัวของเรา ความคิดทั้งวันทั้งคืนจึงมีแต่เรื่องกิเลสทํางานผลของมันก็ให้เกิดความเดือดร้อนผิดหวังผิดหวังไปเรื่อยๆเพราะาจงทําใจให้มีความสงบเย็นเมื่อใจมีความสงบเย็นแล้วความเย็นนี้จะเข้าสู่ความแน่นหนา ม, มั่นคงความสว่างสวัยของใจไม่ต้องบอกพอกิเลสจางไปมากน้อยความสว่างของใจจะแสดงออกมาให้รู้ให้เห็น นี่ให้ท่านทั้งหลายตั้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปคิดการนั่นสมัยนี้มักผลนิพผานมีมักผลนิพานผนพานเหลี่ยมมันเหลียวแหลมอยู่ที่ตัวของเราแน่นนามั่นคงอยู่ที่ตัวของเราผู้บำเพ็ญ น, นี้แหละถ้าเรามีความขยันมันเพียนเอาจริงเอาจังทำพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จริงที่แน่นอนอยู่แล้ว รอรับสําหรับผู้ทำจริงทำจังให้ปรากฏผลอย่างจริงจังขึ้นมาที่ใจด้วยกันทุกหลายให้ยึดอันนี้อย่าไปคาดไปหมายมรรคผลนิพพานเมืองนั้นเมืองนี้สมัยนั้นสมัยนี้อันนั้นเป็นมืดกับแจ้งที่ผ่านมากิเลสไม่ใช่มืดไม่ใช่แจ้งมันอยู่กับหัวใจของเราเป็นพิษเป็นภัยต่อหัวใจของเราตรงพากันชำระตรงนี้ให้ได้ แล้วความสว่างจะเกิดขึ้นทีน่นี่ความสว่างทุกแบบทุกฉบับไม่ใช่สว่างแบบเดียวมีหลายแบบหลายฉบับหันจะกระจ่างขึ้นภายในใจของเราภายในใจของเราจากนั้นที่ว่ามักว่าผลก็ปรากฏขึ้นมาดังทีท่านาสำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกีทาคาสำเร็จพระนาคาสำเร็จพระราหานเหล่านี้ ออกจากการบำเพ็ญใจดวงนี้เองชำระจิตใจออกไปเป็นขั้นเป็นภูมิขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งชำระกิเลตตัวมืดบอดนี้ให้หมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตสว่างจ้าขึ้นมาท่านว่าบรรลุอรหันต์นั่นบรรลุที่ใจนะไม่บรรลุที่อื่นที่ใดอย่าหมายไปให้เสียเวลาเวลาเราเป็นนากปฏิบัติ เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เชื่อที่ข้อปฏิบัติของเราท่านสอนอย่างไรให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้นั้นโดยถูกต้องเรื่องผลนี่ประกาศท้าทายอยู่แล้วกับการปฏิบัติของเราที่ดาเนินมาโดยถูกต้องผลจะปรากฏขึ้นเป็นลาดับลาดาอย่าไปหาคาดหามหมาย การนั่งสถานที่นี่เว ล, เวลานี่เป็นเรื่องความเหลวไหลของคนที่ไม่เคยสนใจกับการปฏิบัติธรรมบาเพ็ญธรร ม, รรมและการภาวนามีจะเอามาพูดโอ้อวดกันด้วยความมืดบอดของตนซึ่งไม่เคยบําเพ็ญธรรมไม่เคยสนใจกับธรรมเลยให้สนใจกับธรรมของพระพุทธเจ้ า, าที่ทรงบําเพ็ญมาแล้วและตรัสรู้ธรรมโดยถูกต้องนํามาสอนพวกเรา อยู่ทุกวันนี้ให้สนใจธทมเหล่านี้นะอย่าไปสนใจกับลมๆแรงๆที่มันพูดอยู่เต็มโลกเต็มองสารวนวลแล้วตั้งแต่คนไม่สนใจในอัตในธรรมอวตนรว่ารู้ว่าฉลาดแหลมคมแล้วก็เอาข้องโง่มาโปะหัวใจของคนที่ตั้งอกตั้งใจแต่งโง่เขาบบปัญญาก็วิ่งตามเขาเสียว่ามรรคผลนิพพานไม่มีไม่มี เลยทิ้งไปเสียงานที่จะให้เกิดมักผลนิความตามทางของสัตะดาไม่สนใจปล่อยงานนี้ไปเสียเลยไปหยิบไปคว้าเอางานที่ล้มเหลวล้มเหลวงานหลอกลวงของเจดีย์นั้นเข้ามาสู่ใจใจก็เลยกลายเป็นของปลอมไปตามเดิมไม่เกิดอะไรเลยเพื่อให้ใจเป็นของจริงขอให้ปฏิบัติตามทางของจริงที่สอนมาแล้วโดยถูกต้องศีล <c oughs> ท่านแสดงไว้ในมรรค ในแพทย์ของพระที่เป็นสมบัติของพระซึ่งควรจะได้จากการบําเพ็ญของตนคือศีลสมบัติศีน่ารักษาให้บริสุทธิ์อย่าให้ด่างพร้อยทะลุขาดแต่อย่างใดให้มีสติระมัดระวังรักษาในส่วนที่ความทะลึ่งหรือความดื้อด้านอย่าให้มีในหัวใจของพระเราให้มีหีนิโอตปะสรุ่มกลัวต่อบาตต่อกรรม กลัวศีลจะด่างพร้อยขาดปลุไปตลอดเวลานี่ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์เมื่อมีศีลสมบูรณ์แล้วจิตก็ไม่วอกแวกคล อ, อนแขนไม่เกิดความเดือดร้อนละและคระขายว่าศีลไม่บริสุทธิ์หรือศีลด่างพร้ะยอย่างนี้ไม่มีจิตก็ไม่เป็นอารมณ์เมื่อไม่เป็นอารมณ์นำเข้ามาสู่การภาวนาจิตก็รวมได้ง่ายนั่นเพราะไม่มีอารมณ์มากวนใจ จิตก็รวมลงได้ง่ายรวมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆสีนี่แล้วกักายเป็นสีแลเป็นสีแล้สมบัติตั้งแต่เราเริ่มบวชมาจากนั้นก็เป็นสมาธิสมบัติคือจิตใจมีความสงบเงยือกเย็นจนกระทั่งแน่นหนามัน่นคงเรียกว่าสมาธิสมบัติจากนั้นก้าวออกทางด้านปัญญาปัญญานี่พิจารมากนักบวชทั้งหลายขอให้เล่งในทางพิจารณาร่างกายให้มากนะอืม อย่าพิจารณาสิ่งอื่นใดออกทางด้านปัญญาเบื้องต้นพอจิตสงบบ้างแล้วให้ก้าวเดินออกทางด้านปัญญาพินิษพิจารณาอาการสาสองที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ทุกสัตว์ทุกส่วนแยกแยะออกให้เห็นตามความเป็นจริงของมันจึงหาความเป็นสาระสวยงามอะไรไม่ได้เลยทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหญิงทั้งชายมีสภาพอย่างเดียวกันหมด โลกทิมมีแต่ความรุ่มหลงที่เล็ดหลอกลวงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระสวยงามเป็นของเป็นแก่นสานไปเสียหมดก็เลยรุ่มหล่งลืมมองดูธรรมชาติความจริงที่บุรุษเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราทั้งหลายได้ฟังมาทุกองคได้ยืดมาเป็นค่ะเครื่องมือของตนทุกคนท่านเจเจสาโลมานขาทันตาตาจโจนี่ท่านเดียวบกกรรมฐ า, านห้าอืม แต่แล้วแลวปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าตจาจับปัญจกะกรรมฐานท่านนพิจารณาผมขนเละไฟและและฟันแล้วแต่ความถนัดของใจที่จะถนัดในอาการใดพิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังหรือจะพิจารณาเน้นหนักในอาการใดก็ตามเข้าไปถึงหนังทําไมท่านสอนเพียงถึงหนังแล้วท่านอยู่เสียเพราะหนังเป็นสิ่งที่ปิดบังความ จอมปลอมทั้งหลายเอาไว้หลอกออกมาด้วยความสวยความงามผิวพรรณวันนะั้นสวยงดงามเอานั่นมาตกอันนี้มาแต่งให้สวยให้งามทั้งๆ ท, ที่มันไม่สวยไม่งามทิ่เลตมันชอบอย่างนั้นเพราะมันสกโปกเราต้องหาความสะอาดสะอ้านเข้ามาใส่เพื่อกรบความสกโปกนั้นให้เห็นแต่ความสวยงามบุรุษสตรีตาฟางก็วิ่งไปตามผิวหนังที่บางเบานี่แหละ ผิวไข่หนามีไหมไม่ได้หนาเท่าใบลานไม่ได้หนาเท่ากระดาษนะอันนี้แหละบางๆางนี่แหละหุมห่อไว้หมดทั้งตัวคนอันบางๆางนี่แหละแต่มันหนายิ่งกว่าภูเขาปิดกัน้นตันทางไว้ไม่นักภาวนาไม่ทำทั้งหลายเข้าถึงเพราะฉะนั้นท่านถึงให้แยกแยกออกมาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนัง พิจณาหนังเนี่ยเป็นยังไงแล้วพิจณาเขาไปข้างในของหนังหนังเป็นยังไงเยิ้มไปด้วยปุูโผลรหิตน้ำเน่าน้ำห น, ำนองดูเข้าไปข้างในเท่าไหร่เป็นป่าช้าผีดิบในตัวเขาตัวเรานี่คือการพิจณากรรมฐานห้าเป็นศาสตราอาวุธที่สำคัญมากยาปล่อยเรื่องร่างกายสำหรับตัดโรคผิดกายกันทางนั้นราคาตัญหาก็มีกลายเป็นพื้นฐานสาคัญถ้า กำเริบเสบสารขึ้นก็กอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเราจึงต้องพิจารณาสิ่งนี้เพื่อตัดทอนกาลังบังชาของกิเลส ต, ตาคาตัญหานี้ให้น้อยลงน้อยลงพิจารณาเห็นชัดเจนเท่าไหร่ในเรื่องร่างกายทั้งข้างนอกข้างในละเอียดทั่วถึงดูไปหมดแล้วหลายครั้งหลายโหนดูจนเข้าใจพิจารณากลับไปกลับมาเหมือนเขาคราดมา คลากลับไปกลับมาจนมูลชาาิมูลไถแหลกละเอียดควรแจกการปักดำแล้วเขาก็ปักดำกันอันนี้การพิจารณากรรมฐานห้ามีหนังเป็นสําคัญก็พิจารณาเข้าไปจนกระทั่งภายในยึกเึื่อพอหนังนี่เป็นเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารอาหารเก่าหมดทั้งคนนี้เป็นช่วงเป็นฐานด้วยกันทั้งนั้นแหละ มีหนังเชนนั้นมาหลอกให้เราหลงเขาหลงเราตลอดเวลาเมื่อเปิดหนังออกแล้วมันจะกระตจายไปหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทร ง, ง, งมอบให้เพียงตาจากกรรมฐานตาจากปัญจกกรรมฐานคือกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าแล้วก็หยุดพอเลิกหนังออกแล้วจะดูได้ยังไงเปิดหนังออกแล้วดูได้เมื่อไรทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งผู้หญิงผู้ชาย มันดูไม่ได้นี่แหละท่านจึงสอนไปถึงหนังให้พิจารณาท่านทั้งหลายยากเห็นมักเห็นผลให้ให้ดูตามที่ทุเกเจ้าสอนนี่เป็นธรรมของจริงล้วนๆไม่มีขอบเป็นของปลอมเลยแต่กิเลสมันชอบปลอมหาตกหาแต่งทุกทิ้ง ท, ทุกอย่างไม่มีอะไรเกินกิเลสตกแต่งตลอดเวลาตกแต่งอันไรก็ตกแต่งซ่วมตกแต่งฐานตกแต่งที่ไหนมันจะเป็นซ่วมเป็นฐานไง ตกแต่งภายนอกให้สวยงามข้างในกระตัวมูนตัวคู่เต็มไปหมดในช่วงในฐานานั้นมันจะสวยงามที่ไหนนี่ก็ดูแต่ข้างนอกก็เป็นผิวเผินไเลนอย่างผิวหนังดูก็ไปข้างในก็มีแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดเนี่ยให้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังอันนี้ให้เป็นตามจิตเวลาเราพิจารณาไปจิตมันสะดุด ต, ตรงไหนปักแน่นที่ตรงไหนที่อยากจะพิจารณาซ้ําๆซากๆ ก, ก, ก็ให้ยึดเอาเป็นหลักเป็นเต็ม ในการพิจารณามันจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายอันนี้เนี่ยพิจารณาใครพิจารณากายได้มากละเอียดรอเท่าไหร่ผู้นั้นยิ่งจะมีความสะดวกสบายใจจิตใจจะถอนออกโดยลำดับเวาแต่เพราะอย่างยิ่งราคาตันหาเป็นสาคัญมากโลกนี้ติดกันมากติดราคาตันหาไม่ว่าจักว่าบุคคลหญิงชายติดอันนี้ก็เพราะอันนี้แหละมันหลอกผิวหนังบางๆางนี่ท่านจึงสอนเพียงแค่นี้ ให้ขุดค้นเข้าไปดูหลักความจริงของมันเมื่อเห็นตามหลักความจริงแล้วจะไปยึดไปถือไปรักไปชอบมันที่ไหนหนังกระสักเว่าหนังเขาเรียกว่าหนังกําพร้าบางๆแล้วเข้าไปนั้นเยิ้มด้วยบูโพโลหีน้ําเนา่าน้ำหนองเต็มไปทั้งเขาทั้งเราต้องช้าต้องล้างซักฟอกตลอดเวลามนุษย์นี่ตัวสกรปรกมาอยู่ที่ไหนต้องได้ช้าได้ล้างทําความสะอาด แช็ดถูกันตลอดเวลาแม่ที่สุดเครื่องนุ่งห่มก็มั่งกันต้องซักต้องฟอกต้องช้าต้องล้างเพราะร่างกายเป็นของสกปรกไม่ใช่เป็นของสะอาดจึงต้องช้าต้องล้างเอาอะไรมาเกี่ยวข้องกับตามกับร่างกายนี้จะเป็นของสกปรกประตามันเข้าไปอยู่ในบ้านก็ต้องได้เช็ดได้ถูสกกแลกายเป็นเสือเป็นหมอนต้องได้เช็ดได้ถูได้ล้างได้ซักได้ฟอกตลอดเวลาเพราะร่างกายเป็นตัวสกปรก นี่แหะให้เอาตัวนี้เป็นสาคัญขอให้พิจารณาอันนี้ให้มากนักปฏิบัติถ้าอยากให้จิตใจเบาหผีวเบานี้พิจารณาร่างกายนี้สําคัญมากนะเอาให้แหลกให้เหลวเอาให้ทันการทันสมัยให้รวดเร็ว อ, อ, อสุภาสุพังนี้เวลาพิจารณาทีแรกก็อืดอาดเหนื่อยนายอพอเห็นผลก็ไปแล้วที่นี่ก็คล้องตัวพิจารณาอสุภาสุพังนี้คล้องตัวไปหมด มองไปไหนมีแต่อสุภาสุพังเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งเขาทั้งเหล่าจะไปกำหนักยินดีกันที่ไหนนี่แหละพิจารณาอย่างนี้นะกรรมาฐานเราหมวดมาเพื่อจะลื้อถอนตนในีพ้นจากถูกต้องเอาตัวที่เป็นเชื้อแห่งถูกทั้งหลายนี่มาพิจารณาให้ดีตัวนี้เป็นสาเหตุที่สาคัญมากคือร่างกายให้พิจารณาให้หนักแน่นในร่างกายอันนี้ที่คลายออกให้หนูแล้วตั้งขึ้นแล้วเอา เราสมมติว่าเอาไฟเผาก็ได้หรือตายแล้วให้เน่าพองก็ได้ตามแต่อุมบายของผู้พิจารณาจะมีความแยบคลายต่อการพิจารณาของตอนอันนี้สอนไว้เพียงกลางๆให้แยกแยกไปพิจารณาเองอย่างไรก็ตามให้หนักในอันนี้ให้มากนะนัาปฏิบัติถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขไม่ถูกราคาตันหากวนใจต้องพิจารณาอันนี้ให้มากทีเดียวมากไปถ้าเสิ่งเราทั้งหลายเหล่านั้นจะ จะจ้างไปจ้างไปแล้วสุดท้ายก็อสุภาสุพังปิดกั้นไว้หมดอิมองดูรูปใดหญิงใดชายใดก็มีแต่อสุภาสุพังออืมืมขวางไว้หมดความก็เห็นแต่อสุภาสุพังแล้วจะปฏิติอะไรนี่นี่คือการพิจารณาร่างกายขอให้ยึดอันนี้เป็นหลักนะนักปฏิบัติปล่อยนี้ไม่ได้นะต้องเอาอันนี้ให้เป็นหลักทีเดียวอืมทีแรกทําจิตให้พอสงบก่อน ดังที่ว่านี้แหละจะสงบด้วยทาบทตใดก็ให้ทำพอสงบลงไปแล้วจิตก็เริ่มอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนี่คือความหิวโหยของจิตอยากตลอดเวลาอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองทุกอย่างนี่คือความอยากออกมาจากจิตทีนี้จิตเมื่อมีความสงบแล้วก็อิ่มอารมณ์เหล่านี้ทีนพอจิตอิ่มอารมณ์เหล่านี้ให พาทำทำงานทางปัญญา <c oughs> แยกแยะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นก็ดูเนื้อแล้วก็ดูมา้ามาขอใจตับพังผอใไตปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดูให้ตลอดตัวถึงนี่เนียกว่าเรียนธรรมชาติภายในตัวเองเรียนกรรมฐานดังที่อุปชาท่านมอบให้พิจารณาคาพิจารณา อาชสุภะสุพังร่างกายนี้มีความละเอียดแล้วเท่าไรผู้นั้นละ่ะเป็นผู้ที่จะหวังพ้นถูกได้ความหวังนี้จะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพิจารณาอ น, นี้แยกละเอียดเข้าไปแล้ว <c oughs> มันหักมีนี่เราพูดตั้งแต่ส่วนกลางๆเอาไว้นะพอเรื่องอัสูพระสุพัรละเอียดเรา เ, าเข้าไปแล้วมันจะหมุนเข้าไปสู่ที่ใจของเหลานั่นแหละเพราะใจเป็นผู้หลง เมื่อใจพิจารณาอะไรรอบผลแล้วรอบหมู่แล้วอะไรมาหลงอะไรมายืดสิ่งนี้มันก็หมุนก็ไปสู่ใจตัวอรูปะสุพังนี่เลยเขากลายเขาไปอยู่ที่ใจแห่งเดียวเลยใจดวงนี้ก็รู้ตัวเองแล้วก็ปล่อยสิ่งทั้งหลายใจดวงเดียวนี่หลงเท่านั้นปรุงขึ้นว่านั้นสวยนี่งามนั้นใจเป็นผู้ปรุงพอมารู้ตัวใจซึ่งเป็นมหาโจรนี้แล้วปล่อยข้างนอกเอาหมดนี่เป็นขั้นอันหนึ่งแล้วทีนี้ขั้นนี้ พอถึงขั้นนี้ปล่อยอสุภาอสุพังสลัดออกได้เลยภายนอกเป็นอสุภาสุพังภายในเข้ามาปุงอะไรขึ้นมาก็มันก็เข้าหาใจหาใจใจเป็นอสุภาอสุพังทุกขังอนัตตาอยู่ที่นี่หมดมันก็ปล่อยอสุภาภายนอกเข้ามาเป็นอสุภาภายในนี่เป็นอสุภาภายในนี่เป็นขั้นหนึ่งแล้วนะนี่นะนีะ่ขั้นจะตัดศินราคะตัณหาพิจณาเข้ามาพอถึงนี่แล้วก็ปล่อย แล้วฝึกซ้อมตัวเองเพราะตามมิสัยของคนเราส่วนมากจะมีทันทาปัญญารู้ได้ช้าปฏิบัติลําบากแต่ทั้งรูง้ได้ช้าเราต้องฝึกซ้อมเราตลอดเวลาเช่นในขั้นนี้มาถึงขั้นที่ปล่อยวางอจุพาสุภังที่ได้ชำนี้ชํานาญเต็มตัวจนอสุพาสุพังไหลเข้ามาสู่หัวใจดวงนี้แล้วก็ปล่อยอจุภาภายนอกพิจารณาฝึกซ้อมหัวใจภายในที่มันเกิดดับเกิดดับนี่ จนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตใจก็ว่างเปล่าไปเลยว่างเปล่าลนี่เรากว่าฝึกซ้อมของจิตในขั้นราคะตัณหาขาดลงไปในขั้นแรกคือขั้นนี้เองพออันนี้ขาดลงไปส่วนที่เป็นส น, นินทนี่เป็นอะไรเป็นผิวเป็นผงมันติดมันมันยังไม่ออกค่อยขัดค่อยฝึกค่อยซ้อมให้ละเอียดล่อเข้าไปจิตใจก็ละเอียดเข้าไปเข้าไปเรื่อยเข้าไป จงกระสั่งถึงความพอทุกอย่างแล้วปล่อยหมดโดยสิ้นเชิง น, นี่สอนให้ท่านต่งหลายจำเอาไว้นะวิธ <c oughs> ีการให้ถือรากฐานสำคัญในกรรมฐานห้านี่เป็นของเล่นเมื่อไหร่พิจารณานี้ในกรรมฐานห้านี้จบแล้วปล่อยราคาตันหาได้เลยเพราะราคาตันหานี่หนักหน่วงมากนะไม่มีอะไรที่จะเหนือราคาตันหานี้ไปได้ที่โลกธาตุที่ออกฤทิ์ออกเดชอยู่ทุกวัน สัตาทำผัดให้ล่วมให้จมมาแต่ว่ามีคําเถ็ดความเข็ดความลาบก็คือราคาตันหานี่เองจะเป็นตัวไหนไปพอรู้ตัวนี้แล้วมันเปิดล่องออกไปหมดเลยมันจะไปติดอะไรเพียงตัวนี้ไอ้เรื่องที่มันวุ่นวี่วุ่นวายหนักที่สุดน่วงที่สุดท่วงจิตใจที่สุดคือเรื่องกามาที่เหลนี่เองพอตัวนี้ขาดจากบ้านไปจากใจแล้วโลกนี้เหมือนมาบ้านร้างนะบ้านร้างแต่มีคนอยู่ ฟังที่นะ่ะบ้านนี้ล้างแต่ทํำไมมีคนอยู่ตั้งแต่ก่อนบ้านด้วยมีคนด้วยคนนั่นคือคนอันตาพานอันตาพานคือตัวราคะตันหานี่มันก่อมันกวนยุ่งเหยิงมุ่นวายตลอดเวลาพอนี้ขาดชาว บ, บ้านลงไปแล้วก็มีแต่ความหดีความนีทําเป็นทำอัตโนมัติแล้วที่นี่พิจารณาเนี่ยเนี่ยว่ามีแต่คนนีอยู่ในบ้า น, นเรือนไม่แสดงเหตุการณ์ต่างๆขึ้นให้ ทำให้บ้านไม่สงบมีแต่คนมีศีลมีธรรมสวยงามบ้านก็สงบอันนี้มีแต่ความมีสติปัญญาประคองจิตใจแล้วจิตใจก็ยิ่งสวยยิ่งงามสว่างสวัยขึ้นไปเรื่อยเรื่อนี่หละตัวนี้ขาดเท่านั้นเหมือนโลกทานนี้ขาดไปหมดเหมือนบ้านร้างว่า ง, งั้นเถิดนี่ก็มาเห็นได้ชัดว่าราคาตันหารนี่ตัวเดียวนี่เท่านั้นเป็นตัวที่ดึงดูดที่สุดหนักที่สุดทุกข์ที่สุด คือตัวนี้แล้วสัตว์โรกสัตว์โรคชอบที่สุดก็คือตัวนี้ตายไม่เฉล็ดลาบทุกไม่เคล็ดลาบก็คือตัวนี้เองเวลาพิจารณาตัวนี้เรียบร้อยแล้วปล่อยไปหมดแล้ว น, นี้จิตนี่เหมือนมาปล่อยภูเขาทั้งลูกเลยนะนี่ออกจากหัวใจนี่เหลือตั้งแต่ใจที่เป็นนามธรรมาเช่นเราฝึกซ่อมเรื่องอสุภะอสุภะอะรื่อง นี่แหละที่มันไหลเข้าสู่จิตแล้วก็ละเอียดเข้าไปเอียดเข้าไปไม่หนักหน่วงมันแต่ก่อนนะแล้วค่อยเบาไปเบาไปไปหนึ่งว่าสำรีหมุนขึ้นไปเรื่อยๆฝึกซ่องเข้าไปเท่าไรยิ่งละเอียดยิ่งหมุนละเอียดยิ่งหมุนนวดเร็วกําหนดอาตุภาพภายในใจปั๊บดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนี่อาุภาพภายในอาุภาพภายนอกที่เราเอามาพิจารณาดังที่เบื้องต้นนั้นแหละเลื่อยมาจนกระทั่งถึงอาตุภาขั้นนี้มันไหลเข้าสู่ใจของเราแล้ว ใจของเราเป็นอัจุปะเสียนแล้วปล่อยอัธุภาข้างนอกมาพิจารณาจุภาภายในซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นภาาของจิตขึ้นภายในใจอันนี้ใจจะเบาหิวเบาหีและเบาเลื่อยเลื่อยเลื่อยเพราะฉะนั้นพร ะ, ะอนาคามีท่านจึงไม่กลับมาเกิดดีเพราะไม่มีอะไรกดถ่วงท่านตัวราคะตัณหานีออกสนามทีเดียวพระมหากษัตริย์โดยแจอวิชาปัจจยาสร้างข้าลา พระหักศัตริย์อยู่ในพระราชวังนะแต่พวกตำรวจทหารเสนาใหญ่นี่คือราคะตันหานี้ออกเพ่งพ่านออกเดาวรบทุกด้านทุกทางก็คือตัวนี้เองเพราะอจนราคาตันหาขาดจะบ้านลงไปแล้วก็มีแต่อวิชชาเท่านั้นเหมือนบ้านล้างที่นี่จิตใจจะหมุนขึ้นเรืเ่อยๆแน่แล้วที่นี้จะไม่กลับมาเกิดดีเริ่มรู้แล้วนะเริ่มรู้แล้ว หมุนเข้าไปเรื่อยจิตหมุนขึ้นทีนี้ไม่มีหมุน ล, ลงนะราคาดันลากที่เป็นตัวหมุน ล, ลงดึงลงนี่ขาดไปแล้วจิตกลับเป็นหมุนขึ้นนะละเอียดรอไปโดยลําดับเหมือนซําลีหมุนขึ้นข้างบนฟ้าบางอันเถอะปลิวขึ้นไปเรื่อยเรยื่อยพิจารณาเข้าไปยิ่งละเอียดละเอียดเข้าไปนี่ก็ไปถึงตัวกษัตริย์แล้วที่นี่นะเอเพราะเอาราคาดันหาถึงขั้นละเอียด ถึงขั้นละเอียดการเกิดการตายก็ไปถึงห้าขัา้นห้าขั้นขั้นไหนบ้างอวิหาตะปาสเวสาเสวเสียกณิฐานี่เรียกว่าสุดท้าภาวะห้า 5, 5, 5ขัา้นห้าห้าห้าขั้นหรือห้าชั้นเป็นที่อยู่ของพออระอนาคามีแต่แล้วไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกแต่ไปไปอยู่ในชั้นห้าชั้นนี้ตามภูมิธรรมของตนโดยลําดับพอถึงอันนิฐาแล้วที่นี่ก็ยังเขา้าถึงอวิชาถึงตัวกษัตริย์ใหญ่ละที่นี่ พิจารณาฝึกซ้อมเข้าไปโดยนามธรรมล้วนๆล้วนๆเข้าไปเลยเรื่องรูกปรธรรมหมดแล้วตั้งแต่อสุภะขาดชาวบ้านลงไปจากใจเป็นอสุภะภายในก็เป็นกลายเป็นนามธรรมไปแล้วทีนี้อันนี้ละเอียดเข้าไปเป็นนามธรรมล้วนแล้วมันเกิดขึ้นจากที่ไหนที่ไหนไล่ไปเลยมาทบทวนไปมามันก็ว่าวิ่งเข้าไปหาจิตหาจิตหมุนเข้าหมุนออกที่จิตจิตตามเข้าไปตามเข้าไปด้วยอัตโนมัตินะทําครั้นนี้เป็นครั้น ขั้นสติปัญญาตโนมัตนะเราไม่ได้บอกว่าเป็นสติปัญญาตโนมัตตั้งแต่เอ่ อ, อราคาตัณหาอรุภาสุพังคาจากใจไปแล้วสติปัญญาเป็นสติปัญญาตโนมัตแล้ทีนี้ฝึกซ้อมตัวเองคล่องเข้าไปคล่องเข้าไปจนกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานี่มหาสติมหาปัญญานี่กำลังเข้าจ่อเข้าในพระราชวางังคืออวิชชาปัญญากษระสับใหญ่ มหาสติมหาปัญญาต่ อ, อเข้าไปพิจารณเาเ่องไปเดี๋ยวก็ไปโดนเอาตัวนั้นแหละขาดสะบั้นลงไปเลยที่นี่นี่แหละมหาสติมหาปัญญ า, าก็เป็นสติปัญญาอัาตโนมัติออกไปจากสติปัญญาอัาตโนมัติของท่านอนาคามีก้าวเข้าไปสู่มหาสติมหาปัญญาจากเข้าเข้าถึง อ, อกคนิ tha แล้วจากก้าวเข้าสู่นิพพานก็นิพพานก็คืออวิชชาปยา จิตขวางอยู่ข้างหน้าฟาดวิชาขาดสะบั้นลงไปแล้วนี่จิตนี้ว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรในโลกนี้นี่ละเมื่อวิชาตัววัตจกักกษัตริย์วัตจักขาดสะบั้นลงไปแล้วนั่นละ่ะตัวพบตัวชาติร่างแห่งพบแห่งชาตทิที่แท้จริงออกมาจากวิชานี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดโดยสิน้นเชิงนี่ท่านเรียวบันรู้ธรรมรู้ไหมนี่แหละบั้นรู้ธรรม นี่อรหตัตธรรมละขั้นนี้แล้วขั้นนี้ก็โสดาจิตาอนาคาไปโดยลำดับแล้วก็ถึงขั้น อ, ร, อรหรันอรหันก็คือฆ่าวิชาขาดจะบ้านลงไปแล้วนั่นเป็นอรหรันขึ้นที่นี่อรหันเกิดที่ไหนพิจารณาที่ที่พูดนี่พูดเรื่องอะไรมันติดอะไรเวลานี้จิตใจเรามันติดอะไร การติดตั้งที่ที่ศีรแสดงมาแล้วแ ก, ก้ออกแ ก, ก้ว อ, อกพิจารณาออกเบิกออกกว้างออกวงออกก้าวเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมิชาฟาดกระสัดวัตจักนั้นขาดจากบ้านลงไปจากใจแล้วผางขึ้นมา ท, าทันทีอันนี้ตามแต่จริตนิสัยนะตอนจิตที่จะผ่านพ้นจากวัตจักรโดยสิ้นเชิงนี้อาจมีนิสัยต่างกันนิจายบางอย่างก็ไปเรียบเลียบขาดไปเลยก็มีนิสัยบางอย่างพาโขนโจ น, นทะยานประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยที่ เป็นต่างกันนะแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลสคือวิชาขาดจับั้นลงไปจากใจนั่นเองแหะเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่ากิริยานี้ต่างกันตามจริตนิสัยอุปนิสัยของผู้บําเพ็ญ น, นะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เหมือนกันจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ตามพอวิชาขาดลงไปก็รู้ได้กันนั่นแหละขาดจะบั้นลงไปแล้วทีนี้เป็นยังไงเรื่องอความเกิดความตายที่เป็นมา จากไหนถึงไหนที่ไหนมาอยู่ติลงที่จุดนี้เนี่อมีชาขาดแล้วจิตที่นี่เป็นยังไงดับไหมศูนย์ไหมตั้งแต่เกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนกระทั่งหนึ่งนรกอวจีอวิจิตนี้ไม่เคยศูนย์ทุกยอมรับว่าทุกจะทุกมากทุกน้อยยอมรับว่าทุกทางนั้นแต่ไม่ชิบหายไม่ชีพหายเมื่อฟื้นตัวได้แล้วก็พลิ ก, กมาทางนี้ทางนี้เรื่อยๆฟาดจนกระทั่งถึงนิพพานแล้วศูนย์ไหม พราอวิชาขาดจะบ้านไปหมดแล้วจิตตรงนี้เ hey. ป ah ็นจิตที่เลิศเลยแต่ท่านให้ชื่อในสามอย่างสี่อย่างมหาวิมุตติหรือว่านิพพานหรือธรรมธาตุเป็นวายพจน์ของกัลกันพูดอะไรแล้วเหมือนกันคือธรรมธาตุความดุพ้นอันเลิศเหลืออย่างเดียวกันนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติท่านต่างหลายจะไปหามาผลนิพพานที่ไหนหาตามแบบตามบังคีนั่นเป็น แบบแปนแผนผังที่เข้ามาหาตัวของเราท่านสอนเข้ามาที่เข้ามาดังเจสาโรมานี่เป็นต้นสอนเข้ามาเข้ามาตรงนี้เมื่อปฏิบัติรู้ตรงนี้เห็นตรงนี้แล้วปริยัต ท, ยทั้งหลายจะวิ่งเข้ามาสู่ใจหมดนาทีแรกวิ่งออกไปสู่ปริยัตเอาปริญัตเข้ามาเป็นแบบแปนแผนผังเข้ามาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วความรู้ความเห็นเป็นสมบัติของเราขึ้นมาแล้วที่นี่ส่วนเรียนตอนนั้นไม่ไม่รู้ไม่ไม่เป็นสมบัติได้นะเพียงความจําความจํา นี่มันลืมได้หลงได้ใช่ไหมดีไม่ดีท่านงว่าตัวเรียนมากรู้มากเป็นนักปราชญ์ทั้งทั้งที่ความโง่เต็มตัวนั่นพอออกมาภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นมาจากการภาวนาของตนแล้วนี่ละเป็นสมบัติของตนรู้มากรู้น้อยจะรู้ขึ้นมาที่ใจของเราใจของเราจงกระทั่งถึงมือมดูดพ้นเป็นสมบัติของตนโดยสิ้นเชิงไม่เป็นของใครและนี่ละภาคปฏิบัติท่านจึงสอนวาปริญัตปฏิบัติป ฏ, ตปฏิเวท ปริยัติไดาการศึกษาเราเรียนแบบแปนแผนผังแล้วนํามาปฏิบัติเหมือนเราได้แปลนมาแล้วมาปลูกบ้านสร้างเรือนถ้ามีแต่แปลนเฉยๆเต็มห้องเต็มหับก็มีแต่แปนไม่ใช่บ้านใช่เรือนต้องนําแปนออกมาออกมาปลูกบ้านสร้างเรือนจะเอาขนาดไหนกว้างแคบยาวขนาดไหนดูตามแปนนั้นปฏิบัติตามแปนนั้นสําเร็จผลขึ้นมาผลขึ้นมาเป็นลําดับตั้งแต่วางรากบางฐาน โดยลำดับก็เรียกว่าเป็นปฏิเวทเจ้าของรู้เองเมลานี่กำลังขุดรากขุดฐานหรือเทคางอะไรก็นี่เป็นปฏิเวทคือรู้มาเป็นลาดับจนกระทั่งบ้านนี้สมบูรณ์เต็มที่แล้วปฏิเวทคือรู้แจ้งแทงทะลุเต็มเหนียวนี่ถึงพระนิพพานแล้วนี่แหละปฏิบัติปฏิญาตปฏิบัติปฏิเวททำทั้งสามประเภทนี้เป็นทำแทงเดียวกันเป็นสาสนาโดยสมบูรณ์ ถ้ามีแต่การศึกษาเล้วเรียนเฉยเมันศาสนาไม่ได้สมบูรณ์ขาดบาดขาดตาแต่งเรียนเฉ ย, ยเฉยเฉยจำไ้เฉยๆยที่เด็ดไม่ได้สลอกปอกเปิือกมันมีเศษทิศอะไรถ้าเรียนแล้วต้องนํามาปฏิบัตินํามาปฏิบัติแล้วผลจากการปฏิบัติก็ปรากฏขึ้นมาเหมือนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนได้แปลนแล้วก็เอามาม า, มาปลูกบ้านสร้างเรือนตามแปลนสําเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้ว น, นั่นแปลนปฏิเวทโดยสมบูรณ์ ปริญาต์ปฏิบัติปฏิเวทเราศึกษาเราเรียนมาแล้วให้มาปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลจะปรากฏขึ้นจนกระทั่งถึงความสิ้นสุดอิมูดผนิพานนี่เรียวกว่าปฏิเวทธรรมโดยสมบูรณ์าศาสนาสมมูรณ์อยู่ทั้งในธรรมทั้งสามประเภทนี้กลมกลืนกันเฉพาะอย่างยิ่งปริญาต ก, กับปฏิบัติต้องเกี่ยวเนื่องกันตลอดเวลาปฏิเวทจะสดแสดงผลขึ้นมาโดยลํากับลาดานี่ละทำทำเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ การปฏิบัต <Freud'> ิธรรมไม่ใช <Ouais. S 1> ่ปฏิบัติแบบงูงูปลาปาเหมือนพระพุทธเจ้าเราหอกหลงลงลวงโรกทั้งหลายเป็นจอมปลอมไปเสียอย่างนั้นไม่ใช่นะองคศาสราแทบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่พวกเราที่มาปฏิบัตินี่มันงมงายต่างห่างนะแล้วติดจางจางลูปลูกคําำศาสนาแต่เรื่องกิเลสจะเอาจริงเอาจางข้อขาดขาดไปด้วยไม่รู้จักเค็ดดาบอินพอคือพวกคนโง่ด้วยอำนาจการหลงตามกิเลสนั่นแหละให้พิจารณา นี่การปฏิบัติธรรมธรรมตั้งหลายที่มาบวชมาปฏิบัติเอานี้ให้ดีนะอย่าเห็นสิ่งใดที่มีความเลื่อเลยยิ่งกว่าธรรมที่สอนไว้แพทย์ของเราคืออะไรก็คือแพทย์นักบวชนักบวชเป็นนักปฏิบัติปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อมรักผลนิพพานอันนี้เป็นสมบัติอันล้นค่าไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนให้สนใจกับความภาคความเพียรของตนอะไรก็ตามในโลก น, นี้มีเกินไปหมดมันก็มีตั้งแต่ ด, ดิน น้ำแต่ลมแต่ไฟเป็นเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เป็นด้านวัตถุมันมีอย่างนั้นไงมันเกือนอยู่ในโลกอันนี้ใครเอามันไปได้บ้างต้แล้วจะเงินมีเป็นเป็นล้านล้านหรือกองเท่าภูเขาก็กองเท่าภูเขาเจ้าของก็อย่างหนึ่งเขาก็ใส่ลงแล้วก็อยู่ในโลงเอาไปเผาก็เป็น เ, ท, เนท่าเป็นฐานไปเสียมันประชดวิเศษวิโสหลายําเงินล้านนั้นขาดจะ บ, บ้านมาแล้วตั้งแต่ลมหายใจขาดแต่เรื่องอัดเรื่องทําภายในจิตใจไม่มีขาดเลย มีมากมีน้อยรู้โดยลําดับดาจองกระทั่งปฏิบัติได้รู้ประจักษ์ภายในหัวใจนี้แล้วหายสงสัยอะไรจะมีไม่มีก็าตามนักปฏิบัติอย่าไปสนใจกับสิ่งภายนอกความเคารพนับถือมูชัอันนั้นความดีความดีนกับราบกับยศกับสรรเสริญเยียนยอมันเรื่องบ้าทั้งนั้นแหละพระพระบ้าแหะไม่ใช่พระดีพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยให้วางทั้งหมดนี่เป็นธรรมท่านสอนให้ปล่อยให้วางราบยศสรรเสริญเยียนยอทั้งหลาย ไม่ก่อไปเกี่ยวข้องมุ่งแต่ัต่ธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมให้ประกอบความเพียรสังวรธรรมนี่เป็นสมบัติของผ้าโดยแท้แทนั่นไม่ใช่สมบัติของพผ้ายาไปยุ่งไปเหยิงให้บุ้นวายนะอะเรื่องตื่นย่ตื่นลาบนี้มันเป็นเรื่องนั้นดูเอาใครก็ดูรู้กันทุกคนทุกคนมันทําโลกให้สงบไหมความตื่นย่ตื่นลาบดีดดิ้นปีนไปยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งโลก ศาสนาของเรากลายเป็นความเดือดร้อนมาตามๆกันนี่แหละข้ากิเลสเข้าไปแฝงแล้วกิเลสตัวนี้มันเป็นกิเลสกาฝากมหาไผ่คำว่ากาฝากท่านทั้งหลายรู้ไหมมีไม้ชนิดหนึ่งที่มันเกิดไปติดอยู่กับกิ่งก้างของตน้นไม้ต้ น, น, นต่างๆเช่นต้นมะม่วงเป็นต้นหรือต้นขนุนเป็นต้นถ้าเรามีกาฝากไปเกาะแล้วนะมันแผ่รูปแผ่ร้านลงไปแล่นั่นทินแล้วต้นไม้ตัวนั่นจะเหี่ยวจะยุบจะยออถ้ามันเกิดขึ้นมาม า, มากตายเลย อันนี้กาฝากมหมาปิที่ทําลายศาสนาอยู่จากแพทของพระนี่มีอย่างนี้แหละพระเราเป็นพระกาฝากเป็นตัวมหมาปิต่อตัวเองและส่วนรวมตลอดถึงศาสนาทั่วๆไปไม่มีคุณมีค่าอะไรเลยเป็นกาฝากมหมาปิคือความทะเยอทยานความดีความดีามดตามลาภตามยศความสนรเสริญยัน ย, นยอเหล่านี้เป็นกาฝากทั้งนั้นเป็นภัยต่อตัวเองและเป็นภัยต่อส่วนรวมด้วยทําให้ เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดนี่แหละสักกาฝากอันนี้เข้าตรงไหนแล้วเอานะแหลกไปเลยแหลกไปเลยให้พรากันกําจัดกาฝากเหล่านี้ออกอย่าไปสูญโฉนใจการอยู่การกินของพระปฏิบัติไม่มีอะไรสําคัญอืมพออยู่พอกินพอเป็นประปวันหนึ่งบิณฑบาตได้มาจากชาวบ้านได้ชิ้นหนึ่งสองชิ้นเท่านั้นพอเรื่องทําไม่มีความติดจ้างในใจหมายมั่นปั้นมือตลอดเวลาอยู่ที่ไหนอยู่ได้นอนได้นั่งได้ ฉันได้เท่านั้นแหละอยู่ที่ไหนสบายหมดสําหรับผู้มุ่งอัดมุ่งทำรรไม่มีอะไรรูห้หราหรูหรายิ่งกว่าธรรมที่เลิ่อเรอภายในใจนะให้มุ่งตอนนี้อันนี้เป็นความหรูหราเป็นความที่เลิ่อเรอสุดยอดที่เรามุ่งอยู่เวลานี้สิ่งนั้นเป็นที่อาศัยของร่างกายเท่านั้นแหละร่างกายกับของเรากับสถานที่อยู่มันจะสูงจะต่ําจะประดับประดาตกแต่งขนาดไหนมันก็คือดินน้ําลมไฟเหมือนกันกับร่างกายของเหล่านี้ พอสุกหัวนอนได้ก็สุกหัวนอนไปอย่างนั้นน่ะแต่สำคัญขอให้มุ่งเจอจิตใจในธรรมทั้งหลายนี่เป็นที่พอใจตายแล้วนี่ลหละทธรรมธรรมะสมบัติเข้าสู่ใจหมดนะวัตถุสมบัติตายแล้วทิ้งโดยกันทั้งนั้นน่ะไม่มีใครเอาไปได้ล่ะ <S <S จะมีสักเท่าไหร่เท่าไหร่ตายแล้วอย่างมากเขาก็จับใส่โลงเพือไปเผาไฟไปส่งกันแค่ป่าช้าหรือแค่ป่ชาและแค่เมนท่า น, นก็กลับไป ด้วยความหมดหวังหมดหวังะสมบัติกัรทอของมีความหมายอะไรแต่สมธรรมมาสมบัติที่เราได้สร้างคุณงามความดีจากการให้ทานรักษาศีลการบำเ พ, พ็ญภาวนานี้ติด ก, กับหัวใจของเราไม่มีขาดเลยอันนี้ไปไหนก็ไปเขาจะใส่ลงไม่ใส่ล ง, ลงก็ตามตายแล้วโยนลงน้ำลงเหวก็ตามใจของเรานี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลงไม่ใช่ผีไม่ก็ไม่ใช่ ทรา ก, กระดูกก น, น, นั้นนะใจเป็นใจธรรมเป็นธรรมอยู่นี่ประคับประคองตัวเองไม่สนใจกับสิ่งว่านั้นตายแล้วดีดผึ่งเลยควรไปสวรรค์ชั้นใดไปห ร, หรือพรหมโลกนิพพานไปเลยด้วยอํำนาจแห่งธรรมนี่เลี่ยกว่าธรรมสมบัติหอยท่านต่างหลายเด็นีพิจารณาพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาองค์เอกเราจะไปหาพระพุทธเจ้าองค์ไหนอีกมาแข่งพระาศาสดาของเราเนี่ไม่มีในโลกนี้ที่ตรัสได้ชอบแล้วที่สุดแล้วเวลานี้าศาสด า, อ ง, งาองค์เอกคือบริยงทุด สุดส่วนแล้วคือพระพุทธเจ้าสอนตรงกระทั่งเป็นสาวกขึ้นมาเป็นอาหารฐานวิเศษด้วยกันทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วมาสอนพวกเราก็ให้เป็นค น, คนดีคนดีจนถึงขั้นวิเศษด้วยกันยอย่าปล่อยอย่าวางคําสอนพระเจ้านะนอกนั้นมีแต่แตสิ่งที่หลอกลวงต้นตุนทั้งนั้นขอให้พากันพินพจารณาให้ดีนะวันนี้เป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งที่ปีหนึ่งเจ้าจะมาเทศใน์ท่านหลายฝั่งเทศน์แต่พอนักปฏิบัติในนี้ยอย่าปล่อยอย่าวางอย่าถืด อ, อย่าจ้างในข้อวัดปฏิบัติ จะเป็นส่วนรวมก็ตามส่วนรวมคืออะไรกิจการงานใดที่จะมาทําเป็นความพร้มเพรียงสมัคริกรันให้ถือเป็นกิจําเป็นด้วยกันทุกองค์งง ต, งตัวองค์เท่าตัวเท่าตัวงานของถ้าบกพ่องกับบกพองเราถ้าสมบูรณ์ก็เป็นสมบูรณ์ในตัวของเรางานพร้อมเพียงสมัคริกีกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็สวยงามตาถ้าต่างคนต่างทําต่างคนต่างอยู่ไม่สม่ําเสมอ ม, มีแตกมีแยกอย่างนี้แล้วเรียกว่าแตกแยกความสมัครีตัวเองก็ ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ไม่สวยงามแล้วความผ้มเพียงสมัครคีแตกก็กระจายใช้ไม่ได้นะขอให้มีความพผ้ามเพียงสมัครคีข้อวัดปฏิบั ต, ทมมทติทำเพื่อเราจะเป็นความสมัคคีก็ดีเป็นความทำโดยเฉพาะตัวเองก็ดีทาเพื่อเราเพื่อเราทั้งนั้นแหะไม่ใช่เพื่อใครให้พากันมีความเคารวอยู่ด้วยกันให้เป็นเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนะอย่ามีขัดมีแยง้เงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เอาทำมากลางไว้เสมอ เรื่องทิฏฐิมานะเรื่องกิเลสกาฝากหมาภัยนี่มันจะคอยแทรกคอยแทรกแล้วผัดข้องบางทีทะเละบอแวงกันก็มีเพราะกาฝากเข้าแทรกหัวใจที่มีธรรมใจก็เลยใจก็เลยใจเป็นใจกาฝากว่เสียแล้วเดือดร้อนวุ่นวายอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อความกลมกลืนสามัคคีทิฏฐิมานะอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราออกมาจากสถานที่ใดในครั้งพุทธกาล มหาการสัตว์ที่ออกมาบวชมีน้อยเมื่อไร่ อ, องค์ใดที่สสเสด็จออกมาบวชนี่เข้าป่าดังคุณที่เจ้ทาทำสอนเอาไว้ว่ า, วาผู้บวชใหม่ลุกขมโรเซนนาสนังินซายะปรปชาตะทัเตยาวชีวังอุซาโหกรณียูนี่บรรดจชาวสวรแล้วให้ท่านต่างหลายประอยู่ตามลุกขมูลล้อไม้ฟังที่ในป่าในเขาตามถ้ำเหมือมผาป่าช้าป่ า, ป า, า, ปาโลกชัิ ที่แจ้งรอมพังรอมฟังอันเป็นที่สะดวกแต่การบาเพ็ญธรรมธรรมไม่มีสิ่งใดมารบกวนและให้จงทำความอุตศาพยายามอยู่และบาเพ็ญในสถานที่เะนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระสงฆ์ทุกองค์ได้รับโอวาดข้อนี้มาด้วยกันไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวนี่แหละที่สอนท่านทรงเสริมมากทีเดียวการอยู่ในป่าในเขาเพื่อบาเพ็ญธรรมธรรมกจกจริง ชัวช่าลำบกสกรปรกสมมุ่มอยู่ภายใน ใ, นใจนี้ออกไปจากจิตใจใจสว่างจ้าขึ้นมาไม่มีอะไรสะอาดยิ่งกว่าใจที่หลุกพ้นแล้วนะอสิ่งใดที่สะอาดแจ้งนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสมันแข่งทำต่างหากอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีตกแต่งให้สวยงามตกแต่งดีขนาดยังขัดยังถูแล้วจนขัดถูว่าสวยงามเทไรมั้ถ้าเป็นสายตาของธรรมในสายตาของธรรมแล้วนี่เรากิเลสมันบอกว่าสวยงามสุดยอดสะอาดสุดยอด แต่สายตาของทำแล้วเราศกปรกสุดยอดเห็นไหมมันต่างกันตอนไหนทําจริงได้มาตําหนิเรื่องของกิเลสที่ทำมาสวยงามที่สุดสะอาดที่สุดหย่าสุดยอดสุดยอ ด, ด, ยอดกลายเป็นว่าสกกรบกสุดยอดไปไปยังไงเพราะเห็นนี้เองการอยู่ที่ไหนอยู่เธอพระเราออกมาจากที่ไหนที่ไหนทำเลิศกว่าทั้งนั้นเลิศเลยที่สุดเลยเหานี่พอโปร่งสังขารลงอยู่ได้กินไปนอนไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอขอให้พรอมภาเปลี่ยวนางอะไรให้มีความ เกีย่ยวเนื่องกับสติปัญญาของตนตลอดเวลานี่เป็นถูกต้องแล้วกับเป็นสมบัติทั้งหลายที่พูดเบื้องต้นว่าศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติมีมูติสมบัติจะเป็นสมบัติของเราแต่ผู้เดียวที่มีความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็ ม, ต ม, ตมหน่วยดีผู้ทีเจ้าตามพุทธเจ้าที่สอนไว้พากันจําให้หนีนะในเรื่องการปฏิบัติศาสนาจเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองอันดับหนึ่งก็คือกับพระ ถ้าเราเป็นพระเช่นไ่ยและเป็นพระปฏิบัติหรือพระหลอกดวงโลกเราต้องดูของเราหลอกดวงเราแล้วก็หลอกดวงโลกโลกได้ถ้าโลกจริงในเราแล้วจริงกับโลกได้เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นของจริงศาสนาองค์เอกจริงสอนโลกให้จริงมาตลอดได้อยุดพ้นจากทุกข์เพราะอํานาจคําสอนพระเจ้านี้มีมากมายกายกองขนาดไหนส่วนกิเลสตัวไหนนี่มันมาสอนโลกให้หยุดพ้นจากทุกข์มีตลอดไปเรื่อยไปที่ไหนแน่ยหลายมุมไหนมีตลอดกิเลสคือธรรมชาติที่หลอก ความจริงไม่มีไปที่ไหนหลอกลวงไปเรื่อยเราร่วงไปเรื่อยที่เดียวความพุทธะส่วนธรรมนั้นจริงตลอดไปจริงตลอดไปไม่มีคําว่าหลอกลวงให้ยืดเอานี้ให้ดีให้เป็นคนจริงจังมีความขยันหมั่นเพียรอย่ารอแหละรอแห ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะละการจดนิสัยของเราที่เคยเป็นฆราวาสเป็นมานานเท่าไหร่มั่นฝังนิสัยขนาดไหนเวลามาบวชแล้วมันจะขัดจะค้องนะให้พักให้กันดูตัวเองนิสัยของเรา เราเคยเป็นค า, ารวะเคยเคยทำหน้าที่การงานอะไรๆมามันจะชินต่อหน้าที่การงานอนั้นนั้นทีนี้งานของศาสนาเป็นยังไงไม่เคยเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องเวลามาเกี่ยวข้องแล้วงานของศาสนานี่เหมือนนักโทษในเรือนจำนะเหมือนคนติดคุกติดตารางนะเพราะเหตุไรเพราะงานของศาสนานี่เป็นงานที่ละเอียดมากต้องใช้ความอดความทนสติปัญญาเหนียวแน่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีในรอบครอบยิ่งกว่างานคูตศาสนา เพราะฉะนั้นผู้มาบวชในพุทธศาสนาต้องจึงต้องเป็นถ้าหากว่าปฏิบัติตามศาสนธรรมทุกเจ้าทรงสอนจริงไม่มีใครสวยงามยิ่งกว่าพระผู้มุ่งออกมาบวชแล้วเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วสวยงามที่สุดกิริยามารยาจะคล่องแคล่วคล่องแคล่วด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลไม่ผิดพลาดนี่สวยงามไปอย่างนี้นะแล้วการบําเพ็ญตนจิตใจสว่างจ้าขึ้นมาสว่างจ้าขึ้นมานี่ไม่มีใครสวยงามยิ่งกว่าพระออแล้นะ เราทำตัวของเราให้สวยงามให้ชุ่มเย็นภายในใจแล้วเดินไปที่ไหนก้าวไปที่ใดความสวยงามความชุ่มเย็นนี้ไปกับเราโลกมาสัมผัสกับสัมผัสเราโลกจะไมมีความสงบร่มเย็นได้อย่างไรต้องสงบรลมเย็นถ้าเราเป็นฝืนเป็นไฟเป็นพระที่หลอกลวงต้องตุนชาวบ้านเจ่งแล้วไปที่ไหนเหมือนเปรตเหมือนผีอันนี้ใครจะมากราบมาไหว้ดลงกอเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้นะพระเป็นผู้เสียสละทุกอย่างแล้ที่พูดแล้วตะกี้นี้มหากษัตรย์ ออกมาบวชแล้วเข้าป่าในเข้าในป่าเน้่เขาไม่เคยสนใจในพระราชวังเลยไม่มีเศรษฐีสกุลเศรษฐีก็ดุลพีก็เหมือนกันออกมาบวชแล้วไม่สนใจกับสกุลของตนเลยหาบินสบายกับชาวบ้านทำมาไสรสละอยู่ไปกินไปเพียงเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาทรงพระนวัวมันก็เหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกนั่นเองอยู่ในขอประราสาทราชมนตทียนเวลามาบวชไปอยู่ในป่านั้น ไปบินไปขอทานจากเขาเขาให้ทานตามนีจะดนิสัยพระองค์จะมาสเสวยจงจะสเสวยไม่ได้เราก็เห็นไหมพระองค์ฟัดกับกิเลสตัวทิฏฐิมานาของกษัตริย์ขัตติยามานานิออกออกเลยสเสวยสบายกินสบายกินสบา ย, น, บายนอนสบายบ้านเพนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนได้เป็นผู้เที่ยวของเราขึ้นมาอันนี้การมาบวชนี่ก็มันกันต้องมาฝึกนิสัยใหม่เพราะเรื่อง นิสัยของอการบวชของเรานี่เป็นตามตามหลักธรรมแล้วเป็นละเอียดละออมากนะต้องใช้ความอดทนพินิษพิจารณาทุกอย่างเพศยของพระเป็นเพศที่พินิษพิจารณาเป็นเพศย์ที่สังรวมระหว่างเป็นเพศย์ที่มีสติมีปัญญาละเอียดละออมีเหตุมีผลทุกอย่างนะไม่ใช่พ่วมผ้า พ, พ่วงผ้าพผ้าแลนะ้วแบบเอาผ้าเหลืองมาคลุมหวัวแล้วก็ว่าตนมีผ้าโอ้อาฟูฟ้ามันนั่นผ้าผีบ้าพระตาฝากอย่างนั้น อย่าให้มาติดจาตเนามันจะเลอะเทอะไปหมดนะเราต้องเป็นภ้าจริงพระจังตามเสด็จพูริเจ้าด้วยสวคาดธรรมอย่าให้ผิดให้พลาดไปแล้วจะมีความสุขความเจริญมรรคผลนิพพานจะเป็นของท่านทั้งหลายเองพระผู้ริเจ้าไม่มาแบ่งสาปส่วนอะไรจากเรานะทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั่นเองให้ตั้งใจบวชปฏิบัติมรรคผลนิพพานท้าทายตลอดเวลาเรียกว่าอาการดโกอาการิีโกะเหมือนกันกันกบมกิเลสกิเลสจะเป็นอาการดีโกมีตลอดเวลา ทำให้เกิดกิเลสเกิดได้วันยังคำคืนยังลุงพาให้รับความทุกข์ความลำบากจมอยู่ในวัฏวนนี้กี่กับยี่กันไม่นบับไม่นับกิเลสทําก็เหมือนกันเอาฟาดลงไปกิเลสตัวมันเจ่งเจงพาสัตว์โลกให้จมไม่มีวันฟื้นนี้เอาทําลากขึ้นมาลากขึ้นมาเอาจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้นี่ทําเป็นธรรมชาติฉุดฉุดลากขึ้นมาเราให้ปฏิบัติอย่างนี้นะในพากันตั้งออกตั้งใจอย่าเห็นงานอื่นงานใดเป็นของสําคัญนะ ผมแม้จะมีหน้าที่การงานเกี่ยวกับประช า, ภาชนญาตโยมจนกระทั่งถึงช่วยโลกสงสารนี้ผมก็ไม่มาบรบกวนพระอะไรถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่มาควรเพราะถือเรื่องอัดเรื่องทําการบําเพ็ญธรรมนี้เป็นของสําคัญมากในหัวใจของเราไม่เคยจืดจางโดยเหตุนี้เองพระในวันนี้จริงให้อยู่สบายสบายให้บําเพ็ญธรรมนธรรมตามความสะดวกสบายตามนิสัยจริตตามเจริตนิสัยของตน นี่ให้หนักแน่นเสมอการประกอบความภาคเพียนอย่าเห็นภายนอกเป็นสิ่งที่ดิบที่ดียิ่งกว่าทำจมนะอืมทำนี้เลิศเลยมาแต่การไหนไหนสิ่งที่หลอกลวงก็คือกิเลสมันต่าช้าเหลวซามมาแต่การไหนมันมาหลอกเราเนีกระหลงตามมาอยู่เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่ อ, อเพื่อทำความสงสงแท้ๆนี่นะลงเอาให้ดีนะทุกคนปฏิบัติให้ดีเอาให้จริงให้จังให้ในทรงมากผลนิพพาน มรคนิพพานอยู่กับเราทุกท่านตามศาสนาธรรมนี้แหละไม่นอกเหนืออเลยนะทําก็ดีวินัยก็ดีนั่นฟังที่ท่านพูดท่านสั่งเสียพระอา น, น์ุนสอนพระอา น, น, นะนุ์นะที่แรกกับพระอา น, นุ์ไปทุนนรัตนาท่านอขอให้ท่านทรงพระชนอยู่เป็นเวลายื่นยาวนานอืไม่อยากให้จะให้ปณิพานง่ายเพราะภาษาของเราก็เรียกว่าพระองค์ทรงดุพระอา น, นุ์ว่างั้นทถอะนะ อาโน์นมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นฟังสีก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราสอนไว้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเหลือแต่รากกระดูกของเรานี่เท่านั้นคอยวันรอวันเวลาที่มันจะสิ้นลมห้ยใจใตายไปเสียเท่านั้นเองจะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นถาั้งทั้งหลายเราสอนไว้ไม่มีนี่รากเปิดเผยตลอดเวลามาจนกระทั่งบัดนี้แล้วเธ อ, อยังจะมาหวังอะไรกับเราอีกนี่เมื่อขู่เข็นเต็มที่แล้วก็ปลอบปอ้าโนนอานนอืมจะผู้ปฏิบัติ ทำสมควรจะทำมีอยู่นี่นโลกไม่สูญจากพระรหารนนท์อนอุนอนนั่สนสร้างที่ไนขอให้ปฏิบัติตามแนวทางของเราตถาคต น, นี่สอนสอนนี่เถิดโลกไม่สูญจากพระรรลหัสไมู่น อ, นอรุณหนึ่งนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งพระพระธรรมหนึ่งพระวินัยหนึ่งนี่แหละจะเป็นจาจดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราตายไปแล้วนี่เราเป็นผู้มีธรรมมีวินัยก็เท่ากับมีศาสตราประจําหัวใจของเราถ้าไม่มีธรรมมีวินัยก็ไม่มีศาสตราอืมพกักจังจำนะมโนธรรมวินัยที่เราประพักประคองรักษาด้วยดีอยู่นั่นแหละคือศาสตราประจําตัวของเราไปที่ไหนสง่างามหมดถ้าปราศจากธรรมวินัยนี้แล้วศีลขาดศิลทะลุนะ น, นี่นี่ใช้มาได้แล้วนะเนีย ไม่มีศาสดาแล้วนะทำก็ไม่สนใจวินัยไม่สนใจมีแต่หัวโล้นๆผ้าเหลืองๆหลอกบ้านหลอกชาวบ้านเขากินยื้เฉยไม่เกิดประโยชน์นะลูกศิษสถาคนไม่ใช่เป็นคนหลอกชาวบ้านนะเป็นคนเอาจริงเอาจังทุกอย่างทุกอย่างตามที่ท่านสอนว่าทและวินไยนั่นแหละจะเป็นศาสตราของเสือหลายท่านเทิดทูนทรรและวิไนตลอด ในหัวใจของท่านนี่ท่านจึงมีธรรมในขอให้ทุกๆ ท, ท่านมีธรรมมีวิน ا, ัยมีคือองค์ศาสดาประจําตนไปที่ไหนท่านจะส ร, ร, ร, าร้างงามหาที่ําหนิ้ตัวเองไม่ได้นี่เช่นชความขี้เกียจนี่ก็เป็นเรื่องกิเลสไม่ใช่ศัสจะนะอย่าพากันขี้เกียจมากนัก น, นะความใจเลยความท้อแท้แอบความเลีวไหลไม่ใช่สรราจจะคือไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยเป็นความหมดแอะท้อแท้เป็นเรื่องกิเลสจะจับคอเราฟัดหลงหมอนหมอนแตกเสือขาดไปนน่ะ ถ้าไม่มีนะนี่วันนี้ได้มีโอกาสบ้างพอจงควรจะได้เตือนในท่านต่างๆได้ทราบทั่วถึงกันเพราะนานๆจะได้เทศนาว่าการเจ้าโฮนหนึ่งหนึ่งพระทุกองค์ตัวองให้ตั้งหน้าตั้งตาไปพปฏิบัติความภาคเพียนให้ดีสติเป็นสําคัญมากนะอสติเป็นพื้นฐานความเพียรทุก ป, ประโยคอยู่กับสติเป็นผู้ควบคุมทั้งนั้นน่ะอืม วันนี้เทตนาวาการก็เห็นจะพอทมควนกับธาตุกับขันไม่ร่เวลาส่วนมากกับธาตุขันนั่นเนี่ยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจในเขา้ารรษาก็คือถือเขตวัดนะเขตนอกนั่นแหละอเขตที่อกอ่อกำแพงใหม่นะั่นเรียกว่าเขตวัดนี่แหละนั่นแหะถือเป็นเขตวัดส่วนกำแพงไร น, นี้เป็นเขตวัดเดิมอืม แต่วัดจริงๆก็อยู่ข้างนอกแต่เรื่องทุดงค์ขวัดที่เราได้พากันปฏิบัติมาแล้วก็ถือเขตวัดไหลนี้เป็นเขตวัดอันหนึ่งในธุดงค์ข้อนี้พอพ้นจากเขตกําแพงในนี้เข้ามาแล้วถ้ารับบินตาบาตอยู่เรียกว่าขาดธุดงค์ข้อนี้ถ้านอกกําแพงไม่ขาดนี่เอากําหนดเอากําแพงนี้ในธุดงค์ขวัตของเราให้พากันจํำมาไหวยอย่างนี้ เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเวลานี้เป็นเวลาที่ว่างที่สุดไม่มีใครครบกวนพระกรรมฐานเรายิ่งอยู่สะดวกสบายหน้าที่การงานอะไรไม่มีประชาชนเขาเลี้ยงดูหมดไม่ว่าการอยู่การกินเห็นไหมวัดป่าบรรทัดนี่อืมกองพเพลินเถื่อนถือเท่าภูเขาแต่ละวันละวันกินให้ตายก็ตายได้นะพระทําไม่รู้จักประมาณตายได้ทั้งนั้นน่ะอย่าว่าแต่อดตายกินอิ่มม่ก็ตายนี่เดี๋ยวนี้เหลือเฟือ สบงกีวานเครื่องใช้ไม่สอยแต้มไปหมดมีแต่ประชา ช, ชนเขาส่งเสริมเห็นว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตตเขามีความเลื่อมใสศรัทธาอยากได้บุญได้คุณสมด้วยอย่าให้เขาเสียใจตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอาศัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นที่ว่าทุโงขวัตท่านไม่รับอาหารที่ตามมาก็คือประสงค์ให้พระมีทุโงขวัตกาจัดความอะไรความโลภโลเลของตนมีมากก็เอาแต่น้อย เอาแต่น้อยต่อน้อยเนี่ะท่านจึงดัดเข้ามาในทุดงขควัดอันนี้ให้จํำมาไว้อย่างนี้นะอืมให้พากันไปพื้นปฏิบัติรักษาทุดงให้ดีอืมให้มีความแน่นหนามั่นคงตามที่กล่าวมาแล้วนี้ขอทุกท่านจํำมาไว้นะแล้วผู้ที่บวชใหม่ก็ให้คอยศึกษารวมกับผู้ที่บวชเก่าเช่นท่านสุดใจเหล่านี้เป็นต้นนะศึกษาแต่สําหรับผมเองจะไม่ค่อยมีเวลาเวลาคิดดูปีหนึ่งที่ได้อบรมสอนพระอย่างนี้ มีหนหนึ่งเป็นปีกานี่สอนอย่างนี้โหนหนึ่งปีนี้ก็มาสอนนี่หนหนึ่งเนี่ยจากนั้นไม่ค่อยมีเวลาเวลาธาตุขันก็ไม่อํานวยพราะงานการเรามีมากที่สุดเลยเราสงวนเรื่องพระแต่เวลาเวลาที่จะมาสอนมีน้อยมากกําลังบางชาก็ไม่พอจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานของเราทุกอย่างไม่มีมีจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความตั้งสติ มีปัญญาสอดส่องมองชลุตามการตามเวลาหรือมีสติปัญญาอัตโนมัติยิ่งดีด้วยความภาเพียร น, นี่แหละคืองานของพระท่านทั้งหลายมีความขยันหมั่นเพียรเนื่งตั้งสติให้ดีความภาคเพียรทุกด้านอย่าปัสแจกสตินี่นั่นแหละเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานของพระผลที่เกิดขึ้นจากงานนี่ก็เป็นธรรมสมบัติขึ้นมาธรรมสมบัติขึ้นมาจงถึงถึ ง, ถ ง, ถงอรหั ต, ตผล เป็นธรรมสมบัติที่เกิดจากงานของพระที่เราทําอยู่เวลานี้ให้พระกันจําให้ดีประกอบหน้าที่การงานของตนให้สมบูรณ์ปูนผลภายในจิตใจไปที่ไหนจะสง่างามนะจิตใจที่สง่างามภายในจิตใจนี้โอ้หไม่ในธรรมดานะพูดไม่ได้แต่มันไม่สงสัยภายในจิตใจอืมจิตใจที่สง่างามที่โดยพ้นจากกิเลียแล้วนี่จ้าไปหมดครอบโลกาาธาตุจะว่าอะไรเพราะฉะนั้น ทำท่านจินได้กล้าตำหนิที่ที่ว่ากิเลสมันตกแต่งอะไรอะไรให้สดสวยงดงามงดงามแล้วเอาไปแข่งทำมาเจาว่าแข่งทำนี่อันนี้งามที่สุดสวยที่สุดเลี่เรี่ยนร้อยที่สุดเครื่องเก่าที่สุดสะอาดที่สุดอันนี้สายตาของธรรมมาตัดสินตัดสินว่าไงสายตาของธรรมว่าโสกปรกที่สุดนั่นเห็นไหมทำสูงขนาดไหนจึงมาตำหนิเรื่องของกิเลสที่ว่ามันสวยที่สุดงามที่สุดไปโสกบกที่สุดได้ นั่นเนื้อขนาะนั่นท่านทั้งหลายพิจารณาเอานะแล้ววันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอทุกท่านที่นําไปทั้งใกล้ทั้งไกลที่ที่อุตส่าห์มาที่าานี่เสียเ ว, เวลาหน้าที่การงานสมัิเงินทองเพื่อบุญเพื่อกุศลจะเป็นผลในยิ่งใหญ่แก่ท่านทั้งหลายเอง เวลากลับไปบ้านไปเรือนก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบตัติประหนึ่งว่าพระพุเทธเจ้าประทับอยู่ที่หัวใจเราด้วยความมีสติมีศีลมีธรรมมีพุโทโธธรรมโมสังโฆท่านทั้งหลายจะไม่ปราศจากที่พึ่งไปถึงบ้านบ้านเป็นบ้านพุโทโธเป็นของเราอยู่อย่างนั้นไปที่ไหนพุโทโธเป็นของเราไม่ห่างเหินจากอาจจากความจากพระพุเทธเจ้า นี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองภายในหัวใจละกาลทางธรรมเห็นว่าสมควรแก่ทาดขันไม่ร่ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดโอ้อหนื่อยไหมับเทศเวลาในสนานการเทศนะไชั่วโมงสิบเอชั่วโมงสิเอ็เ อวันนี้เลยถึชั่วโมงกว่านะชั่วโมงสิเบเอ็ดนาทีวนนั้นจากะนุ่นวันนี้วันนี้เทแดแหญะมากนะตั้งชั่วโมงสิเบเอนทีไม่ไม่ค่อยปเที่ไหนยนี้ถึงชั่วโมงสิเบเอนาทีนี่จะลดลงรถ ล, ลงวันนี้ขยับใหญ่เลยด้วยชั่วโมงสิเบเนาทีอนะันนี้กระดุ แล้วท่านอนรลวงก็ให้ไปเข้าบรรษาตัวเองนะนี่ไม่ใช่วัดท่านอนะันนี้วัดผมนะไปเข้กโนูนไปไปเข้ า, ขาบัลกองค์ทอนวัดใหม่นะี่ไม่เข้าที่นี่ไม่ไดเข้าที่นู่นนี่วัดผม <c oughs> อไปที่อยู่วัดไหนก็ไปอธิษฐานพรรตาในวัดของตนตอนนั้นเลยอันนี้อยู่ในวัดนี้ก็อธิษฐานในนี้เข้าที่นี่พู้ที่ มันไปอยู่ในวันไหนก็ไปสารในวัดของตนของตนอันนี้มันทำเป็นความสามัคคีกันนะอย่าให้พรไปก่อนนะในเทศแล้วก็ให้พรอยู่ที่เลย <c oughs> อิจิตังปฏิตังตุมหางทิปเมวะสมิชาตูสาเพภูเรนตูสังกะปาจานโทปนรรโสยะธามิโชติ อระโสยถาสัพพิติโยวิวชัชานตุสัพโรโควินาสตัมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆาโยโกผวาอภิวาฒนาสีดิสนิตจงางมุทาปจายีโนจัตารโอธรมมาวัฏทานเต อายุวันโนโสขัางาลางังเออเอาผ้าจากเออจผ้า ก, ก, กันเลิกกันแลได้แล้วนะนะทีนี่ะหมดหมดธุราแล้วใช่ไหมยังมีอะไรเอ อ, เออไม่มีเอาค้ากักาพ้องกันกาเออพ้อกันกาแล้วกับได้พระ